ทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาไม่ยอมสละที่พักแล้วหลีกจาริกไปในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกัิทนะสมุดฐานละ